คืนี้มาขึ้นกันที่สนะี่นะวนะประเวสนการเนี่ยนะก็คือกันมาด้วยการไปป่าเนี่ยนะก็คือว่าด้วยการเดินทางรอนแรมไปในป่านั่นเองกล่าวถึงกษัตริย์ทั้ง4องค์เนี่ยนะที่พระเวสสันดรได้ให้ทานหมดแล้วอะ่ะตอนแรกก็มาด้วยรถก่อนเนี่ยนะเขาก็มาขอมาไปสี่ตัวพอขอมาเสร็จก็เขามาขอรถอีกก็เลยให้รถไปอีกก็เลยลงเดินกันหมดเลยคันนี้ ก็เดินก็พ่อก็อุ้มลูกชายแม่ก็อุ้มลูกสาวก็เดินดยไปคุยกันไปเจราจากันไปยเนี่ยนะทีนี้กษัตริย์ทั้ง4องค์เนี่ยนะมีพระเวสสันดรเป็นต้นทอดพระเนตรเห็นคนทั้งหลายที่เดินทางเนี่ยนะสวนมาก็ถามเขาว่าเขาวงกฎเนี่ยอยู่ที่ไหนก็คือยังไม่รู้เหมือนกันว่าที่ที่จะไปนี่มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเขาให้ไล่ให้ไปก็ไปหมือนกันคนทั้งหลายก็ทูลตอบว่ายังไกล ถ้ามนุษย์บางพวกเดินมาตามทางหรือเดินสวนทางมาก็จะถามมัคคากับเขาเหล่านั้นว่าเขาวงกฎอยู่ที่ไหนพวกคนเหล่านั้นเห็นเราทั้งหลายในป่านั้นจะพากันคร่ำครวญ น, น้าสงสารคือไม่เคยเห็นกษัตริย์มาเดินอะไรมันจะตกยากขนาดนี้นะเพิ่งให้ทานมาเสร็จเร็จเนี่ยคนโดยทั่วๆไปน่าจะเห็นโทษของการให้เลยนะเนี่ยถ้าถ้าศึกษาธรรมะไม่ดีนะนี่เห็นไหเพะให้ทานมากเลยตกทุกข์ได้ยากเลยใช่ต้องมาเดิน ละเฮเลล่อนไปตามปา่าตามเขาเลยเห็นโทษร้องการทำบุญส่งเลยเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยแจ้งให้ทราบว่าเขาวงกดเนี่ยยังอยู่อีกไกลเนี่ยนะถามว่าไกลขนาดไหนก็หกสิบโยดน่ะนะก็รวมเกือบพันกิโลเนี่ยนะนะแล้วก็กรุงเทพเชียงใหม่นั่นแหละก็เดินหดถามว่าเพิ่งเดินถึงไหนเนี่ยก็แถวนะแถวเนแถวแถวรังสิตนะมั้งเนี่ยออกจากนั่นนะ อาจจะพึ่งแถวแถวรังสิตนะยังไม่ได้ไปทันถึงไหนเลยเพราะฉะนั้นคนที่ถามนี่ก็ร้องไห้เลยนะโอ้โจะไปยังไงนะสมมุตินะสมมุติว่าเขาวงกดอยู่แถวแถวเนี้ยล้านนาเ น, นี้ยนะแหมยังแถวแถวรังสิตเนี้นะถามไอ้ทางไปเขาวงกดมันอยู่ตรงไหนแหมคนคนตอบก็เซ่อือนเลยนะโอ้โมันอีกไกลเหลือเกินอุ้มลูกจูงหลานลนะนั่งรถไฟรถทัวร์รถอะไรก็ค่ยยังชั่วนหน่อย ทีนี้ฝ่ายพระชาลีและพระกันหาชินาก็ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ทรงผลต่างๆสองข้างทางก็ร้องไห้เด็กนี่นะเคยกินเคยอะไรใช่ไหมพอเห็นผลไม้ก็ร้องไห้ละด้วยบุญญาณุภาพของพระโพธิสัตว์ต้นไม้ที่ทรงผลก็น้อมมาสัมผัสกับพระหัตถ์เนี่ยนะก็เทวดาที่นั่นแหละก็เงื้อมไอ้ก่งมาให้นะ แต่นั้นพระเวสสันดรก็ทรงเลือกเก็บพลาผลที่สุกดีประทานแกสองกุมารและกุมารีนั้นพระนางมัศีก็ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงทราบว่าโอ้โหนี่เป็นเหตุอัศจรรย์ซึ่งอธิบายว่าพระราชกุมารกุมารีทอดพระเนธเห็นพฤษชาติผลผลในป่าใหญ่ก็ทรงการแสงร้องไห้เพราะเหตุอยากเสวยผลไม้เหล่านั้นต้นไม้ทั้งหลายเต็มไปในป่าประหนึ่งเห็นพระราชกุมารกุมารีรการแสงก็ร้อนใจน้อมกิ่งมาถึงพระราชกุมารกุมารีเอง พนางมัซเซเทวีเนี่ยนะผู้งามทั่วองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเหตุอัศจรรย์อันนี้ไม่เคยมีก็ทําให้ขนพองสยองกล้าวยังสาธุการให้เป็นไปความอัศจรรย์ไม่เคยมีทําให้ขนพองสยองเกล้ามีในโลกพฤกษชาติทั้งหลายน้อมลงมาเองด้วยเดชอนุภาพแห่งพระเวสสันดรเ น, นี่ยนะที่จริงก็เทวดานั่นแหละน้อมกิ่งให้ ตั้งแต่กรุงเชตุดรราชธานีถึงภูเขาสวุวรรณคิรีตาเดินทางนี่ห้าโยน์ตั้งแต่ภูเขาสวุวรรณคีรีตาละเนี่ยนะถึงแม่น้ํนะนาชื่อว่าโกนติมาราเนี่ยห้าโยต์ตั้งแต่แม่นม้ําโกนติมาราเนี่ยถึงภูเขาชื่อว่าอัญชนาคีรีอีกห้าโยต์ตั้งแต่ภูเขาอัญชนาคีรีถึงบ้านพราหม์ชื่อว่าตุล น, นะวิทนาลิทันเนี่ยห้าโยต์ตั้งแต่บ้านพราหมณ์ตุล น, นะ วิทนาลิทันดาเนี่ยถึงมาตุลราคนครก็อีกสิบโยตรวมตั้งแต่กรุงเชตุดอนถึงแคว้นเจตรัฐเนี่ยหรือเมืองมาตุลราคนครรวมทางสามสิบโยต์นี่นะสาสิบโยด์กี่กิโลเมตรก็สี่ร้อยแปดสิบก็คือสี่อยแปดสิบกิโลเมตรเนี่ยนะเดินเช้าถึงเงย็นเนี่ยนะก็บอกว่าโดยเทวดาย่นทางให้กษัตริย์ถึงสี่องค์ก็เลยเดินมาถึงมาตุลราคนครในวันเดียวเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็หกรุงเทพเกือบเชียงใหม่เลยนะนั่นนะมาแถวแถวลำปางอันนะนั่นะ น, นะแถวแถวเนี้ยนะก็480กิโเมตรเนี่ยมาถึงวันเดียวเลยก็บอกว่าเทวดาย่นทางให้นั่นนะก็บอกว่าโอ้โหมันจะไวขนาดนั้นเนี่จะมีบุญขนาดนั้นสมัยนี้มันก็ไม่กี่นาทีแล้วเนาะถ้าระยะทางขนาดนี้นะสมัยนี้ก็ไม่กี่นาทีคนก็ไม่ได้ทําบุญมาเท่าพระเวสสันดร อ, อะไรยังไวขนาดนั้นอ่ะนะ เพราะฉะนั้นเรายาก็จะเอาบุญเราไปเทียบกับท่านกันล้กันเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าเทวดาทั้งหลายย่อนมักคาให้ด้วยอนุเคราะห์แกสองราช ก, ากุมาร ي, กรุมารีกษัตริย์ทั้ง4ี่ถึงเจตรัตโดยวันเดียววันที่เสด็จออกมานั่นเองใครจะเชื่อว่าสมัยนี้เดินทางจากประเทศไทยไปอินเดียก็ไม่กี่ชั่วโมงเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโบราณก็ฟังแล้โอ้โหจะเป็นไปได้หรือสมัยนี้มันเป็นไปแล้วนะที่ยอมคนหนึ่งก็เล่า ว, ว่าแกกินข้าวเช้ า, ชาประเทศหนึ่งไปกินข้าว เที่ยงอีกประเทศหนึ่งคือนักประชุมะนะแล้วก็ไปกินข้าวเย็นอีกประเทศหนึ่งก็ไปใช้ชีวิตแบบนี้ก็มีเนี่ยนะก็แสดงว่าคนมีบุญขนาดนั้นยังทำได้นะกษัตริย์ทั้งสี่เมื่อสเสด็จไปก็ดำเนินไปตั้งแต่เวลาสเสวยเวลาเช้าก็รู้ถึงมาตุละนครในเจตรัฐในเวลาเย็นเมื่อภาษาสดาประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่า กษัตริย์ทั้งสพระองค์นี้เสด็จไปสิ้นทางไกลถึงเจตาัพซึ่งเป็นชนบทมั่งคั่งมีความสุขมีมังสะสุราและข้าวมากก็เมืองนี้เป็นเมืองที่มั่งคั่งเหมือนกันในครั้งนั้นก็มีเจ้าครองอยู่ในมาตุลรนคอนี่หกหม0 0นองค์พระมหาศจรรย์นี้ก็ไม่เสด็จเข้าไปภายในพระนครประทับอยู่ที่ศาลาใกล้ประตูเมืองครั้งนั้นพระนางมัสซีนี่ก็ชำระเชตุลีที่พระบาทของพระโพธิสัตว์ ถวายอยู่ด้วยงานนวดพระบาทเนี่ยนะก็เลยคิดว่าเราจากยังประชาชนให้รู้ความที่พระเวสสันดรเ น, นี่ยเสด็จมาก็เลยเสด็จออกจากศาลาประทับยืนอยู่ที่ประตูศาลาทางประตูเมืองเพราะเหตุนั้นหญิงทั้งหลายผู้เข้าไปสู่เมืองและออกจากเมืองก็ได้เห็นพนางมัตสีต่างก็เข้าไปห้อมล้อมพระองค์ซึ่งภาษาสดาเมื่อจะประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่า สตรีชาวเจตรลัตเห็นพนางมัสซีผู้มีลักษณะเสด็จมาก็ปริวิตกว่าพระแม่เจ้าผู้สุขุมารชาตินี้เสด็จมาด้วยพระบาทพนางนี้เคยเสด็จไปในไหนด้วยยานที่หามหรือพระวและพระรถที่นั่งวันนี้พนางแมสซีเนี่ยเสด็จไปในป่า ด, ด้วยพระบาทเนี่ยนะก็สงสารนะนะเคยนั่งรถเคยนั่งคานหามเคยอะไรแล้วก็มาเดินเองนี่ก็เสียใจยกันนะนะว่าไม่น่าจะขนาดนี้กัน มหาชนเห็นพนางมาัตสีพระเวสสันดรและพระโอรสทั้งสองพระองค์เสด็จมาด้วยความเป็นผู้น่าอนาถคืออนาถก็อนาถ ก, ก็มาจากคําว่าอนาถาอนาถาก็แปลว่าไม่มีที่พึ่งนั่นเองนะมาแบบคนไร้ที่พึ่งนะก็ไปแจ้งแกพญาเจตระรัทั้งหลายพญาเจตราชทั้ง6กหมื่นก็การแสงร้องให้พี่รยรําพันเข้ามาพญาเจตระรัทั้งหลายเห็นพระเวสสันดรก็ร้องให้เข้าไปเฝ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพ พระองค์นี้ทรงพระสําราญไม่มีพระโรกาพาดแลหรือพระราชบิดาของพระองค์หาพระโรกาพาดไม่ได้แลหรือชาวสีพีนครไม่ทุกเลยหรือเนี่ยนะข้าแต่พระมหาราชเจ้าพลนิกายของพระองค์อยู่ที่ไหนรถพระที่นั่งของพระองค์นี่อยู่ที่ไหนพระองค์นี้ไม่มีม้าทรงไม่มีรถทรงเสด็จดําเนินมาทางไกลถูกฆ่าศึกย่ายีเสียกระมังจึงเสด็จมาถึงประเทศที่นี้เนี่ยนะก็เป็นคําที่เข้าไป ปฏิสันฐานทักทายปราศัยว่าไปยังไงมายังไงมาได้เพราะอะไรครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อจะบอกเหตุการณ์ที่พระองค์เสด็จมาแก่พญาเจตราชห0 0 0 0เหล่านั้นก็ตรัสว่าแนสหายทั้งหลายเราไม่มีโรคาพาธเรามีความสำราญอันหนึ่งพระราชบิดาของเราก็ปราศจากโรคาพาธและชาวซีพีก็สุขสาราญดนะีคือทุกอย่างก็เรียบร้อยสบายดีหมดแหละ แต่เรานี้ให้ช้างซึ่งมีงานเนี่ยดุดงอนไถเป็นราชพหนะรู้ชัยยภูมิแห่งการยุทธุกอยิจเขาทั่วสารพางกายเป็นช้างสูงสุดคลุมด้วยผ้ากำพลเหลืองทับมันอาจย่ำยีศัตรูได้มีงางามพร้อมไปด้วยพรัดวาลวีชนีมีกายสีขาวเช่นกับเขาไกร ล, ลาดพร้อมด้วยสเวตฉัตดทั้งเครื่องลาดอันงามทั้งหมดทั้งคนเลี้ยงช้าง เป็นราชยานอันประเสริฐเป็นช้างพระที่นั่งให้เป็นทรัพย์แก่พราหมณ์ทั้งแปดคนเพราะเหตุนั้นชาวซีพีพากันขัดเครื่องเราและพระบิดาก็กลิ้วขับไล่เราเราจะไปเขาวงกฏแนะ่สหายทั้งหลายท่านทั้งหลายรู้โอกาสแห่งที่อยู่ของพวกเราที่จะอยู่ในป่าเนี่ยนะว่าเราจะไปอยู่ในป่ากันนะลาดับนั้นพญาเจตราชทั้งหลายก็ทูลพระเวสสันดรว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเนี่ยนะพระองค์นี้เสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนใกล้พระองค์นี้เป็นผู้เป็นอิสระเสด็จมาถึงแล้วสิ่งใดมีอยู่ในประเทศนี้โปรดรับสิ่งรับสั่งให้ทราบเถิดข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์เสเวยข้าวสุกแห่งข้าวสาลีอันบริสุทธิ์ทั้งผักเง่าบัวน้ำผึ้งเนื้อพระองค์เสด็จมาเป็นแขกของข้าพระบาททั้งหลายก็ขอต้อนรับะนะ สิ่งใดมีอยู่ในเมืองนี้เขาให้รับสั่งเธอต้องการอะไรก็จงบอกเนี่ยนะแล้วก็จัดอาหารหาเครื่องอุปโภคบริโภคมามารับเสด็จเลยพระเวสสันดรก็ตรัสว่าสิ่งใดอันท่านทั้งหลายให้แล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันเรารับแล้วบรญญการเป็นอันมากเนี่ยนะท่านทั้งหลายกระทาแล้วทุกอย่างพระราชบิดาเนี่ยทรงขับไล่เราเราจะไปเขาวงกฏพวกท่านรู้โอกาสแห่งที่อยู่ของพวกเราที่จะอยู่ในปา่า จริงๆแล้วนะที่ตรงนั้นท่านทั้งหลายก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนเหมือนกันพยาเจตารัฐก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์นี้เสด็จประทับอยู่ณเจตารัฐนี้จนกว่าพระยาเจตาราชทั้งหลายจะเข้าไปเฝ้าพระราชบิดาทูลขอโทษเนี่ยนะจะไปขอโทษให้เหมือนกันให้พระราชบิดานี้ทรงเป็นผู้ยังแคว้นแห่งชาวซีพีให้เจริญทรงทราบว่าพระองค์นี้หาความผิดไม่ได้พระองค์นี้ไม่ได้มีความผิดแต่กษัตริย์เมืองนี้จะไปขอโทษให้ เพราะฉะนั้นพญาเจตราชทั้งหลายจะเป็นผู้อิ่มใจได้ที่พึ่งแล้วรักษาพระองค์แวดล้อมไปข้าแต่พระบรมมกษัตริย์ขอพระองค์ทรงทราบด้วยอาการอย่างนี้คือเชิญให้อยู่เธอเนี่ยนะก็จะไปขอโทษขอโภยให้อะไรให้จะรักษาแวดล้อมจะปกปักรักษาเป็นอย่างดีพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าท่านทั้งหลายอย่าชอบใจเข้าไปเฝ้าพระราชวิดาเพื่อทูลขอโทษ และเพื่อให้พระองค์ทรงทราบว่าเราไม่มีความผิดเลยไม่ต้องทำอย่างนั้นหรอกเพราะว่าพระบิดาคือพระองค์นี้ไม่ได้เป็นอิสระในเรื่องนั้นแท้ที่จริงแล้วชาวซีพีกองพลและชาวนิคมเหล่าใดขัดเคืองแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ปรารถนาจะ ก, กำจัดพระราชบิดาเพราะเหตุแห่งเราถ้าจะว่าไปนี่เขาจะเล่นงานพ่อเราด้วยนะคะ่ะพ่อเราไม่ยอมอย่างนี้หังอัน พยาเจตราชก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ยังแวนแควนให้เจริญถ้าพฤติการนั้นเป็นไปในรัฐนี้ชาวเจตรัาขอถวายตัวเป็นบริวารนะเชิญเสด็จครองราชสมบัติในเจตรัตนี้ทีเดียวยกบ้านให้เลยนะรัฐนี้ก็มั่งคั่งสมบูรณ์ชนบทก็เพียบพูนกว้างใหญ่ขอพระองค์จงทรงปรงพระหาฤทยัยปกครองราชสมบัติเถิดพระเจ้าค่านะ ชาวเจตารัฐเนี่ย ก, กษัตริย์เนี่ยนะจะยกเมืองให้เลยอะ่ะพระเวสสันดรก็ตรัสว่าดูก่อนพญาเจตบุตรทั้งหลายความพอใจหรือความคิดเพื่อครองราชสมบัติไม่มีแก่เราผู้อันทัชนกนาศในประเทศจากแว่นแคว้นท่านทั้งหลายจงฟังเราชาวซีพีกองพลและชาวนิคมทั้งหลายไม่ยินดีว่าพญาเจตราชทั้งหลายอภิเสกเราผู้ถูกในประเทศจากแว่นแคว้น ฟังให้ดีนะถ้าท่านยกเราให้ครองราชสมบัติแล้วพวกเมืองซีพจะชอบได้ยังไงเนี่ยนะเขาไม่ชอบอยู่แล้ววะงั้นความไม่ปรองดองจะเพึงมีแก่พวกท่านเพราะเราเป็นตัวการสําคัญเนี่ยนะถ้าหากว่าเราปกครองเมืองนะท่านกับสองเมืองนี้จะต้องทะเลาะกันแน่เนี่ยนะคล้ายๆก็ว่าเท่ากับว่ายกนักโทษนนะหนีหนีนภัยมานะลี้ภัยมาให้มาปกครองเนี่ยท่านก็ต้องทะเลาะกันแน่ เพราะฉะนั้นความไม่ปลองดองความไม่สมักสานสามัคคีเนี่ยก็จะมีแก่ท่านเพราะเราเป็นตัวการอันหนึ่งความบาดหมางและการทะเลาะกับชาวซีพีนี่เราก็ไม่ชอบใจใช่แต่เท่านั้นนะความบาดหมางพึงรุนแรงขึ้นสงครามอันร้ายกาจก็จะอาจมีได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นพระราชาปกครองอยู่ในเมืองนี้เรื่องราวมันจะลามใหญ่โตถึงกับมีสงครามเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ยินดีหรอกคนเป็นอันมาก พึงฆ่าฟันกันเองเพราะเหตุแห่งเราผู้เดียวสิ่งใดอันท่านทั้งหลายให้แล้วสิ่งนั้นทั้งหมดก็เป็นอันเรารับไว้แล้วบรรณการเป็นอันมากท่านทั้งหลายกระทำแล้วทุกอย่างพระราชบิดาขับไล่เราเราจะไปเขาวงกตท่านทั้งหลายรู้โอกาสแห่งที่อยู่ของพวกเราที่จะอยู่ในปา่าเนี่ยนะก็พระเวสสันดรพอตรัสอย่างนี้แล้วพระโพธิสัตว์ แม่พวกพญาเจตราชเนี่ยนะทูลวิงวอนโดยปริยายเป็นอันมากก็ไม่ปรารถนาราชสมบัติถึงจะยกให้ยังไงก็ไม่เอาเนี่ยนะครั้งนั้นพญาเจตราชทั้งหลายก็ทำสักการะใหญ่แก่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่ปรารถนาจะเสด็จเข้าไปภายในพระนครแม้กระทั่งพญาเจตราชก็เลยตกแต่งศาลานั้นกั้นพระวิสูจน์คือม่านเนี่ยนะตั้งพระแทน่นบรรทมทั้งหมดช่วยการรักษาแวดล้อมพระเวสสันดรพักแรมอยู่หนึ่งคืน พญาเจตราชเหล่านั้นก็ทร ง, งเคราะห์รักษาบันทมที่ศาลารุ่งขึ้นแต่เช้าสวยโภชนาหารมีรถเลิศต่างๆพญาเจตราชเหล่านั้นก็แวดล้อมเสด็จออกจากศาลาพญาเจตราชหกหมื่นเหล่านั้นก็โดยเสด็จด้วยพระเวสสันดรสิ้นระยะทาง15โยต์ะนะกษัตริย์เหล่านี้ไปส่ง15โยต์นะโยต์คูณ16กิโลเมตรเข้าไปเนี่ยนะก็ไปส่งเป็น100กิโลนะ แล้วก็หยุดอยู่ที่ประตูป่าเนี่ยนะก็ข้างหน้านี้จะเป็นป่าใหญ่อย่างเดียวละก็เลยทูนระยะทางข้างหน้าอีก15โยตรว่านี่นะคือสรุปว่าจากเขาวงกฏไปจนถึงเมืองเชตุดอนเนี่ยนะก็60โยต์นะทั้งหมดอ่ะเนี่ยนะก็900กว่ากิโลเมตรอ่ะเกอกิกิโลเมตรเพราะฉะนั้นอันนี้พอมาถึงเมืองอมาตุลานครเจตรัฐเนี่ยนะก็สามสบโยต์ใช่ไหม พญาเจตระรัตก็ชวนมาส่งอีก15โยต์เนี่ยนะก็เดินทางได้45โยต์และเหลืออีก15โยต์จะถึงก็พอแต่แต่เป็นประตูป่าพอดีเลยเพราะฉะนั้นจะเดินทางลึกเข้าไปในป่าอีก15โยต์เนี่ยนะก็เลยกราบทูลว่าเชิญเสด็จเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะ ก, กราบทูลพระองค์ให้ทรงทราบอย่างที่คนฉลาดทั้งหลายจะ ก, กราบทูลเนี่ยนะเสลพศ เซรพดเนี่ยเสระแปลว่าหินล้วนๆเนี่ยนะบพดก็คือภูเขาเสระพดก็คือภูเขาหินซึ่งเป็นที่สงบของปวงราชหรือศีมีการบูชาเพลิงเป็นวัดมีจิตตั้งมั่นโนนเชื่อว่าเขาคันธมาศพระองค์จะประทับกับพระราชโอรสทั้งสองกับพระมเหสีเนี่ยจะไปอยู่เขาคันธมาศเขาคันธมาศแปลว่าภูเขามีกลิ่นหอมจริงๆก็ที่หอมเนี่ยไม่ใช่เขามันหอมอะไรหรอก คือต้นไม้ใบหญ้าที่มันเกิดนักถินนั้นโดยมากมีกลิ่นหอมอย่างนั้นก็เลยเรียกเขาคันธมาศคือเช่นกลิ่นหอมมีอะไรบ้างดอกไม้พอออกก็หอมอนี่ไงนะ ใ, ใบไม้บางใบก็หอมกิ่งบางกิ่งก็หอมอพวกรากพวกเปลือกพลีอะไรก็ไม้หอมมีมากในป่านั้นก็เรียกขันธมาศเรียกว่าภูเขามีกลิ่นหอมพญาเจตราชทั้งหลายก็ร้องให้น้ําตาไหลอาบหน้าพร่ำทูลว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์เนี่ยบ่ายพระพัก ตรงต่อที่อุดรเสด็จไปจากที่นี้โดยมักขาใดถัดจากนั้นพระองค์จักทอดพระเนตรเห็นวิปุระบรรพศอันเกลื่อนกลนไปด้วยหมู่ไม้ต่างๆมีเงาเย็นหน้ารื่นรมโดยมักขานั้นนี่นะทางนั้นนะเป็นทางสงบร่มเย็นว่า ง, งั้นถัดจากนั้นพระองค์เนี่ยพ้นจากวิปุระบรรพศนั้นแล้วก็จับทอดพระเนตรเห็นแม่น้ําเกตุมัดีเนี่ยนะลึกเป็นน้ําไหลามาแต่ซอกเขาดารดาดไปด้วยมัดฉาชาติ คือปลาเยอะแลมีท่าอันดีน้ํามากเนี่ยนะจงสงเสวยที่แม่น้ํานั้นให้พระโอรสและที่ดา ม, มเหสีทรงยินดีเถิดเนี่ยนะไปอาบน้ําดื่มน้ําที่นัน่นนะถัดจากนั้นพระองค์ก็จะได้ทอดพระเนตรเห็นไม้ใสมีผลพิเศษรสหวานซึ่งเกิดอยู่ที่ภูเขาน่ารื่นรมมีเงาเย็นเนี่ยนะน่ายินดีถัดนั้นพระองค์ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นบรรพธ์ชื่อว่านาริกะ เกลือนกลลไปด้วยหมูนกต่างๆแล้วไปด้วยศิลาเกลื่อนกลนไปด้วยหมู่กินนอนมีสระชื่อว่ามุดเจรินอยู่ด้านทิศอีสานแห่งนาลิกาบรรพศปกครอมไปด้วยบุญทริกและอุบลเขามีประการต่างๆและดอกไม้มีกลิ่นหอมหวนถัดจากนั้นพระองค์เนี่ยเสด็จไปถึงวา น, นาประเทศคล้ายกับหมอกนะคล้ายกับเช้าเชานี่มื่อเช้าตื่นมามีหมอกเยอะเลยนะมันก็จะเท็นทิ่นแถว น, นั้นเนี่ยจะดูเหมือนหมอกเต็มไปหมดมีหญ้าแพรกเขียวอยู่เป็นนิด แล้วเสด็จยังลงสู่ไพรสนซึ่งปกคลุมไปด้วยไม้ดอกและไม้ผลทั้งสองดังราชสีเพ่งเหยื่อย่างลงสู่ไพรสนฉะนั้นฝูงนกในหมู่ไม้ซึ่งมีดอกบานแล้วตามฤดูกาลที่มีมากมีสีต่างๆร้องกลมกล่อมอื้ออึองต่างร้องประสานเสียงกันทับนั้นพระองค์ก็จะเสด็จถึงซอกเขาอันเป็นทางกันดารเดินลําบากเนี่ยนะพอเดินไประยะหนึ่งก็จะเป็นเหลือบเขาใช่ไหมเหลือบเขาก็จะเดินค่อนข้างลําบากหน่อยนะ แต่ว่าเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ําทั้งหลายจะได้ทอดพระเนตรเห็นสระบกครณีอันดาระดาดไปด้วยสลอดน้ําและกลุ่มบกเนี่ยนะก็ว่าตรงนั้นเนี่ยสลอดน้ําเยอะนะกลุ่มบกก็มีมากมีหมู่ปลาหลากหลายเกลื่อนกลลเ น, นี่ยนะมีท่าเรียบมีน้ํามากเปี่ยมอยู่เสมอเป็นสระสี่เหลี่ยมมีน้ําจืดดีไม่มีกลิ่นเหม็น พระ อ, องค์เนี่ยจงสร้างบรณารณศาลาด้านทิศอีสานแห่งสะบกคาราีนั้นนะนะบอกตำแหน่งเลยนะว่าตรงไหนควรสร้างกุฏิเนี่ยนะตามวิวทวทัศน์ตามตำแหน่งและควรจะสร้างกุฏิตรงนั้นควรจะทําที่เดินตรงนี้ก็แนะนําบทนะนะเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็ทรงประทับสํารานอิรยาบดประพฤติสแสวงหามูลพลาหารอยู่ที่นั่นนะโมลนี่แปลว่ารากเนี่ยนะก็สะแสวงหามูลพลาหารก็จงหากินเผือกกินมันไปกันแล้วกันอย่างนั้นเนี่ยนะหาเผือกหาผลมะกรากมาอยู่กันป่าไหนะ แต่ว่าบางแห่งเนี่ยถ้าเป็นป่าดีๆน้ำมาเดื่อมันก็ลูกใหญ่ๆใช่ไหมมะเดื่อลูกน้องๆแอปเปิลนั่นแหละเห็นไหบางแห่งไอ้ลูกจะโตขนาดนั้น mm hmm. เพื่อนเพื่อนคนหนึ่งเขาดูให้เห็นก็เป็นนย่าจริง mm hmm. เขาอยู่ที่เขายอดเขาแห่งหนึ่งที่ตา ก, กั น, นะมีมาเดื่อลูกเข้ากําปั้ น, น mm hmm. บทว่าอุณฉาจิริยายะอิหาทะความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพลำดับนั้นพระองค์พึงดํารงพระชนชีพด้วยการเที่ยวสแสวงหาซึ่งเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เถิดคือพึงเป็นผู้ ปรารบความเพียรอยู่เถิดเนี่ยนะไปอยู่ณถิ่นแห่งนั้นก็เชิญปฏิบัติธรรมอยู่เถอะว่า้นพญาเจตรราชทั้งหลายทูลมัคค่า15โยอดแดพระเวสสันดร อ, อย่างนี้แล้วก็ส่งเสด็จคิดว่าปัญจามิตรคนใดคนหนึ่งอย่าได้มีโอกาสประทุสาร้ายเลยเพื่อจะบรรเทาพยันตายแห่งพระเวสสันดรเสียก็เลยเรียกนายพรานป่าคนหนึ่งชื่อว่าพรานเจตบุตรเจตบุตรเนี่ยนะ ก็อดีตชาติของพระฉันนะนั่นเองนะนะฉันนามาต่ะนะฉันนามาตก็เป็นพรานเจตบุตรเฝ้าอยู่แถวนั้นน่ะก็เลยพรานเจตบุตรนี้เป็นคนฉลาดศึกษาดีแล้วมาสั่งว่าเจ้าจงกําหนดตรวจตราคนทั้งหลายที่เที่ยวไปไมามาเนี่ยนะก็ต้องดูแลให้ดีนะยังไม่ใช่ว่าให้คนเข้าไปรบกวนได้เหมือนกันสั่งอย่างนี้แล้วก็อยู่รักษาประตูป่าแล้วก็กลับมาสู่นครของตน ฝ่ายพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาเทวีเนี่ยนะก็ไปถึงเขาคันธมาศยับยั้งอยู่ณนะที่นั้นตลอดวันแต่นั่นบ่ายพระพักไปทิศอุดรเนี่ยนะลุถึงเชิงเขาวิปุละบรรพศประทับนั่งที่เกตุมดีนาทีสเสวยเนื้อมีรสอร่อยซึ่งนายพรานป่าผู้หนึ่งถวายพระราชทานเข็มทองนั้นแก่นายพรานนั้นเนี่ยนะก็ถวายอาหารให้ก็อ้าวให้เข็มทองเป็นบำนาญไปบำเหน็จบำนาญไป แล้วก็ทรงสนามที่แม่น้ํานั้นบรรเทาความกวล ก, ว, กวายเสด็จขึ้นจากแม่น้ําก็ประทับนั่งหนะ้าร่มไม้นิโครดเนีย่ยนะคือนั่งที่ต้นทรายอย่ะนะที่อยู่ยอดสานุบรรพศหน่อยหนึ่งสเสวยผลนิโครดเนีย่ยนะนั่งกินผลทรายอย่ะนะเออมันก็หวานดีเหมือนกันตอนที่ไม่มีอะไรกินเนี่ยนะทรก็หวานอร่อยดีเหมือนกันลุกขึ้นแล้วก็ไปถึงนาฬิกะบรรพศเสด็จต่อไปถึงสามุจลินเสด็จไปตามฝั่งถึงมุมด้านทิศอีสานเสด็จเข้าไปสูบ ไพร ช, ชัดไพรโดยทางเดินได้คนเดียวล่วงที่นั้นก็บรรลุ ถ, ถึงสะโบกครณีสี่เหลี่ยมข้างหน้าของภูเขาทางกันดานเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ำทั้งหลายแสดงว่าขึ้นไปถึงจนถึงต้นน้ำอย่างดีกันนะแต่ของเราตอนนี้ก็นู่นถึงทุ่งจอนี่ยแหละเนี่ยนะต้นนั้นเป็นต้นน้ำเนี่ยนะขณะนั้นที่พบของเท้าสั ก, กะเทวราชก็สแสดงอาการเร่าร้อนเท้าสั ก, กะพิจารณาเห็นทราบเหตุการณ์นั้นแล้วก็เลยคิดว่า พระมหาสัตว์เสด็จเข้าสู่หิมวันตแต่ประเทศพระองค์นี้ควรได้ที่เป็นที่ประทับจึงเรียกพระวิศนุกรรมเท พ, พบุตรเทพมาสั่งว่าดูก่อนพ่อท่านจงไปสร้างอาสมในสถานที่เป็นรมณียสถานณเวร์เขาวงกฏแล้วก็กลับมานะสั่งเชนนี้แล้วก็ส่งพระวิศนุกรรมไปนะพระวิษณุกรรมก็รับเทวบัญชาวาสาทุแล้วก็ลงจากเทวโลกไปในที่นั้นเนรมิตบรรณศาลาสองหลัง โห oh, ฟังดูนะบรรณศ า, าลานี่งามมากไหมก็ท <c oughs> ําด้วยใบตองตึงเรานี่แหละจะไปอะไรกันบรรณะแปลว่าใบไม้อะเนี่ยนะใช้ตองตึงใช้หยาคามมุงแฝกนี่แหละไม่ไพิจิตอะไรที่ไหนหรอกเนี่ยเรียกบรรณาศาลาเนี่ยนะคือคือบรรณะนี่แปลได้สองอย่างแปลว่าใบไม้ก็ได้แปลว่าหนังสือก็ได้เช่นบรรณารักษ์ก็ดูแลหนังสือ น, นะถ้าบรรณศ า, าลาก็ศาลาที่ทําด้วยใบไม้ เสร็จ แ, แล้วก็เดระมิดที่จงกรมสองแห่งที่อยู่กลางคืนที่อยู่กลางวันแล้วก็มีกอไม้อันวิจิตรไปด้วยดอกต่างๆและดงกล้วยในสถานที่นั้นๆแล้วก็ตกแต่งบันพศเนี่ยนะคือตกแต่งบรนประชิตบริขารทั้งปวงจารึกอักษรไว้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งใครจะบวชก็จงใช้บริขารเหล่านี้เนี่ยนะแล้วก็ห้ามการเสียซึ่งเหล่าอมนุษย์เนี่ยนะไล่ผีที่ไม่ดีออกจากบริเวณนั้นให้หมด แล้วก็ไล่พวกหมูเนื้อหมูนกที่ส่งเสียงน่ากลัวนี่นะให้ให้ใหย้ายให้ไปอยู่ที่อื่นทั้งหมดแล้วก็วางเทวดาดูแลป่าไว้เบ็ดเสร็จก็ไปเนี่ยนะทีนี้ฝ่ายพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นทางเดินได้คนเดียวก็กําหนดว่าจากมีสถานที่อยู่ของพวกบรรพชิตก็ให้พระนางมัสสีและพระราชโอรสทิดาเนี่ยนะพักไว้ที่ทวารอาส ม, มบทเนี่ยนะก็เอาวางไว้ข้างนอกก่อนพระองค์ก็เสด็จเข้าไปสู่อาส ม, มบททอดพระเนตรเห็นอักษรทั้งหลายก็ทราบว่า ความที่เท้าสักกะประทานให้ก็เข้าพระไทยว่าเท้าสักกะทอดพระเนตรเห็นเราแล้วก็เลยเปิดพระทวารบรรณาศาลาเสด็จเข้าไปทรงเครื่องพระแสงขันและพระแสงสอนทั้งพระภูษาเนี่ยนะก็เครื่องแต่งองค์กษัตริย์นะถอดออกหมดทั้งดาบทั้งธนูอะไรก็ถอดเก็บวางหมดแล้วก็นุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผ้าหนังเสือบนพระอังศาคือบานเนี่ยนะกล่าวมนต์ทนชดาแล้วก็ทรงถือเพรื่อสีจับพระฐานกรเสด็จ ออกจากบรรณาศาลายังสิริแห่งบรรปชิตให้ตั้งขึ้นพร้อมเป่งอุทานว่าโอ้เป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่ ง, งนะนะมีความสุขเหลือเกินที่ได้บวชอย่างเงี้ยนะเรานี้ได้บรรปชาแล้วก็เสด็จขึ้นสืสู่ที่จงกรมแล้วก็ไปลองจงกรมดูนะจงเดินกลับไปกลับมานั่นแหละแล้วก็เสด็จไปยังสำนักของพระราชโอรสธิดาและพระราชเทวีด้วยความสงบเช่นกับพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าก็สำรวมระวังเต็มที่เลยนะ ไฟพระนางมัตสีเทวีเมื่อทอดพระเนตรเห็นก็จาได้ก็มอบลงที่พระบาทแห่งพระโพ ธ, ธิสัตว์แล้วก็กราบแล้วก็ร้องไห้ตามสูตรนี่นะร้องไห้ไปก็เขาก็มีอะไรก็มีอยู่เท่านี้ก็เรื่องก็มีนะไม่โสมมนกะโทมานัอ่ะก็สุขทุกข์เคล้ากันไปร้องแต่เจอดีหน่อยก็ดีใจไปเจอใหม่ดีก็ร้องไห้ไปก็อยู่เท่านี้แหละ ก็มีอะไรเวทนาก็โทรมานัดโสมานัดโทรมานัด โ, โสมานัด ส, ส, ส, สลับคล้าเคล้ากันไปดีใจเสียใจดีใจเสีย ใ, ใจก็มีอยู่เท่านั้นแหละแล้วก็ร้องให้เข้าไปสู่อสมบทกับด้วยพระโพธิสัตว์แล้วก็ไปสู่บรรณาศาลาของพระนางนุ่งผ้าเลือกไม้สีแดงผาดหนังเสือบนพระอังสากล่าวมนทนชดาทรงถือเพศเป็นตาเอ็ดดาบสินีตาปะศินีก็คือเป็นฤาษีผู้หญิงว่างั้นแถอะภายหลังให้พระโอรส ธ, ธิ่ดาเป็น ดาบทกุมารดาบทซินีกุมารีเนี่ยนะก็เป็นฤาษีเด็กเนี่ยนะฤาษีเล็กๆกันนะแปลว่าลูกหลานฤาษีก็ได้กษัตระสา ท, ทั้งสีพระองค์ก็ประทับอยู่ที่เวิ้งเขาแห่งคีรีวงกฏเนี่ยนะก็คือมันแค่เป็นเฟิงเขาเป็นหุบเขาหุบหนึ่งนะครั้งนั้นพระนางมาสัสสีทูลพระขอพรแก่พระเวสสันดรว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพพระองค์ไม่ต้องเสด็จไปสู่ป่าเพื่อสแสวงหาผลไม้ จงเสด็จอยูนะ่ณบรรณศาลากับพระราชโอรสและพระราชธิดาหม่อมชันจะนําพลาผลมาถวายก็จีด้วจะสแปลงหาผลมะกรากไม้มาถวายเองอยู่ดูแลลูกอยู่นี่แหละวันนั้นบัมเพนบูชาไฟไปเถอะจําเดิมแต่นั้นมาพระนางก็นําพลาผลพลาบวกพละเนี่ยผลกับอัผลอัผลตัวนั้นแปลว่าผลใหญ่ๆก็คือผลไม้น้อยผลไม้ใหญ่นั่นเอง ก็ไปสแสวงหาพลหมากรากไม้มาบำรุงปรนิบัติพระราชส า, ามีและพระโอรสทิดาฝ่ายพระเวสสันดรบรมมาโภทิสัตถ์ก็ขอพรกับพระนางมั ส, สีเหมือนกันว่าแม่พระนางมัตรีผู้เจริญจำเดิมแต่นี้เราทั้งสองชื่อว่าเป็นบนรรปชิตแล้วขึ้นชื่อว่ายิงเนี่ยเป็นมนชินแก่พรหมจันทร์ตั้งแต่นี้ไปเธออย่ามาสู่สำนักของฉันในเวลาที่ไม่สมควรพระนางก็รับว่าสาธุเนี่ยนะ แม้เหล่าสัตว์เดรัจฉานทั้งปวงในที่รัศมี3โยต์นี่ยสโยต์ก็เท่าไร่สิกิโลเมตรเนี่ยนะในรัศมี48กิโลเมตรเนี่ยน ะ, ะได้เฉพาะซึ่งเมตตาจิตต่อกันและกันด้วยนุภาพแห่งเมตตาของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์นี่ปกตินำรงอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยมากเพราะฉะนั้นสัตว์ในรัศมีบริเวณ น, นั้นไม่มีการทะเลาะกันเลยนะมีแต่มีใจดีไม่เบียดเบียนกัน ที่จริงแล้วที่ใดก็ตามถ้าดํารงอยู่ด้วยเมตตาอย่างแท้จริงนะที่นั้นจะสงบร่มเย็นจริงๆอย่างมีพระเถระรูปหนึ่งที่เป็นเอตะทะคะด้านเมตตาวิหารีเนี่ยนะ ก, ก็ไม่มีบริเวณนั้นจะไม่มีการทะเลาะ ก, กันเด็ดขาดเนี่ยนะใจดีใจเย็นกันหมดเลยกันนะก็ด้านุภาพของเมตตาพนามัตสีเทวีนี่ก็เสด็จอุทนาการเนี่ยนะก็ว่าลุกขึ้นแต่เช้าตรูตั้งน้ําดื่มน้ําใช้น้านําบ้วนพระโอษน้ําสรงพระพัก แล้วก็ถวายไม้สีฟันเนี gegangen, rate, ่ยนะไม้ชาระฟันเนี่ยนะก็ไม้ชาระฟันก็เนี่ยยาวกว่านี้นิดนึงก็อันเท่าเท่านี้แหละเท่าเท่าดินซอสนี่ยแหละยาวก็เท่าเท่าดินสอสนี่แหละมาเคี้ยวเคี้วเคียวเนี่ยนะก็แล้วก็บ้วนปากขูดลิ้นเท่าไหร่แค่นั้นแหะทีนี้ก็กวาดอาสมมบดให้พระโอรสพระธิดาทั้งสองเนี่ยดํารงอยู่ในสำนักของพระชนกเนี่ยนะแล้วก็ถือเอากระเช้าเสียม แล้วก็ขอเสด็จเข้าไปสู่ป่าสแสวงหามูลพลาผลในป่าให้เต็มกระเช้าเสด็จกลับจากป่าในเวลาเย็นแล้วก็เก็บพลาผลไว้ในบรรณาหรื อ, อบรรณสาลาสงนะฮะให้พระโอรสธิดาสงครั้งนั้น 4, สี่กษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็นั่งสเสวยพลาผลแทบทวารบรรณาสาลาเขาจะหาแล้วก็จะมากินร่วมกันตอนกลางคืนหรือสีกลุ่มนี้ไม่ได้ถือสินแปดเนี่ยนะก็ แต่ว่าถือ พ, พรตรหมจันทร์นะศีลห้าดีแต่ไม่ได้ถึงกระศีล8อะไรเพราะว่ากินข้าวเย็นกันอยู่คือคืออาหารก็หาเช้าแต่จะมากินเย็นร่วมกันเนี่ยนะก็เคกว่าฤาษีจํายอมมันนะก็ตั้งจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากบวชอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็เข้าไล่มาก็มาอยู่อย่างนี้ก็แต่ว่าก็ถือศีลศีลมีพรหมจันทร์เป็นที่หก็ได้เนี่ยนะจะเรียกอย่างี้ก็ได้ครั้งนั้นพนางมัสีพาพระชาลีพระกันหาชินาไปสู่บรณารณาศาลา นะก็คือลูกทั้งสองก็จะไปนอนกับแม่ทั้งหมดนะกระสัด ท, ทั้งสี่ก็ประทับอยู่หน้าเวิรงเขาวงกดสิ้นเจเดือนโดยทํานองนี้แหลด้วยประการชนิเนี่ยนะอันนี้กันนี้จบแล้วอันะ้นเรียกว่าการไปถึงป่านี่จบพอดีออวานณประเวสนะกันเรียกว่าเพิ่งเข้าไปถึงป่าเองแต่ ก, กันต่อไปก็คือการมาด้วยชูชก